ตูจูนมาทำอะไร <c oughs> เดี๋ยววัานอาทิตย์หลวงพ่อก็ไปบ้านอารีก่อนนายนิตมาชวนให้ไปสอนที่บ้านอารีแทนสาราลุงชินบอกเดี๋บ้านเขาพัง <c oughs> สาราลุงชินมันที่โล่งๆยังรับไม่ไหวชีรัตเริ่มมีแรงมากขึ้นแล้วชีรัตแรงมนน้อยไป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 ผมมันรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้ยาวๆอย่างนี้กลมๆยาวๆนะตรงกลางมีรูอยู่อะไรย่างนี้าการที่เห็นรูปร่างของมันนี้นะั่คือพิจารณาถึงตัวธาตุดินแต่อันนี้เป็นสมถานะเพ็นงการคิดถ้าจะดูธาตุดินจริงๆต้องเอามือจับจับไม่ติดแล้วก่อนจับติด <c oughs> ตัวผมนะ้มันสีดำสีขาวนี่คือกสินสี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 รู้สบา ย, บายไปออกแรงกดเมื่อสามสบห้าศพตาหลวงพ่อเราเครียดขึ้นมารู้ทันรู้ทันนะหลวงพ่อน่ะคล้ายๆนังแม่มดเมดูซ่าใครศพตาแล้วตัวแข็งจิรัตคิดเลยมันชอบคิดให้มันคิดลให้มันคิดอยู่ในกายอย่าให้เกินออกกายออกไปนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวห่วงเรื่องความรู้ตอนนี้คือสมถะ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 วันนี้ทําอานาปนสติซะหน่อยยืนอยู่นะยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์ น, นะ่คนเพื่อนร่วมทุกร่วมทางเดินเนี้มีอีกตั้งหลายสิบคนนะเต็มป้ายรถเมลนะ์เราหายใจมั้หายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองอะไรเงี้ยนะนับไปยี่สิบดทีจิตมันสงบลงมา้ยรวมมัมันจะรวมคงไม่นานเท่าไหร่หรอกมันอยู่ที่ป้ายรถเมล์นนะพอมันถอนขึ้นมาเนี่ยมันย้อนไปเห็นไ้ที่ไหววับวับขาดตรงนั้นเลย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 หลงไปแล้วรู้สึกไหมบับงคับไปแล้วรู้สึกไหมเนี่ย <c oughs> บังคับไปหลงไปรู้สึกไหม <c oughs> อ๋อชริยะ <c oughs> งงรู้สึกไหมครับเนี่ยดูสภาวะเท่าที่เราดูได้หัดดูไปเรื่อยๆนะเอาว่าไปมีอะไรอีกก็ไม่มีแล้วครับหัดดูสภาวะนะคำตอบที่ถามหลวงพ่อ